เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะกล่าวเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะประเภทอุคติตันยูเขาก็บรรลุแล้วนะนี้ถ้าขยายมาเท่าที่เรียนมานะถ้าเป็นประเภทวิ ป, ปัญจิตันยูนี่บรรลุไปแล้วนะแต่เาในยะบุคคลเนี่ยถ้าบรรลุชาตินี้เป็นเนยะถ้าไม่ได้บรรลุเป็นตทะปรมะแต่ไม่น่าเสียใจยนะชาติหน้าถ้าเรียนเรื่องนี้เราก็ต้องฉลาดกับเพื่อนนะเอาเราเรียนมาแล้วนะคนมีบุญอ่ะใช่ไหมยราไปชาติหน้าเราก็มีบุญกับเพื่อนเลยกันอี้ เราสะสมเรื่องนี้มาแลว้วอะเพราะฉะนั้นเพื่อจะแสดงความพิสดารแห่งวิสุทธิมรรคนั้นจึงมีปัญหากรรมคําว่าปัญหากรรมก็คือการตั้งคําถามปรารภศีลดังต่อไปนี้ก่อนก็บอกว่าถ้าหากว่าจะเข้าใจในเรื่องศีลดีก็ต้องฉลาดตั้งปัญหาในเรื่องศีลก่อนถ้าฉลาดตั้งปัญหาในเรื่องศีลก็จะทําให้สนใจที่จะ ศึกษาเรื่องศีล น, นะแต่ถ้าหากมาถึงปาตระถาศีลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จำไม่ได้ทั้งข้อเลยแต่ถ้าตั้งคําถามไว้ก่อนนะเอ้มันมีอะไรให้สะดุดใจคําว่าเพราะฉะนั้นคําถามแรกเลยนะอะไรคือศีลคาถามที่หนึ่งเนี่ยอะไรคือศีลเป็นคําถามถามโดยสรุปสรุปรวมเรื่องเลยว่าศีลเนี่ยคืออะไรทีนี้คําถามที่สองเชื่อว่าศีลเนี่ยพราะอัดว่าอะไรนะ ชื่อว่าศีลเนี่ยนะชื่อของศีลเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรก็บอกว่าศีลอาศัยการตั้งชื่ออย่างไรเป็นไปเนี่ยนะเอาอะไรมาตั้งชื่อเป็นศีลนี่นถามถึงชื่อของศีลนั่นเองคําถามที่สมว่าอะไรเป็นลักษณะรัศดาปัจจุ ป, ปทานและปะทฐฐานของศีลก็คือเขาถามว่าศีลเนี่ยจะพึงทราบได้อย่างไรโดยสภาวะลักษณะก็คือสภาวะนะสภาวะของศีลเนี่ยเป็นยังไง เอาแล้วศีลเนี่ยมีหน้าที่มีกิจอย่างไรเอาจะปรากฏได้ยังไงศีลศีลมีอะไรเป็นเหตุใกลนะ้ใครตอบนี้ได้หมดแล้วก็กลับบ้านได้แล้แสดงว่าไม่ต้องเรียนก็จบแล้วงนทีนี้คาถามที่สีนะเขาถามว่าศีลมีอะไรเป็นอ น, นิสง์ถามว่าทำไมต้องถามอ น, นิสงฆ์ต้องศีลด้วยเ็าบอกว่าการปฏิบัติมีได้เพราะเห็นอ น, นิสงก ทำไม่เห็นอ น, นิสงฆ์ให้ทำไม่ทำหรอกพระพุทธเจ้านี่สูตรใดที่พระองค์จะแสดงเรื่องศีลเนี่ยนะพระองค์จะประกาศอ น, นิสงฆ์ก่อนนะเพราะศีลเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องยากฟังกันทำตามยากปฏิบัติยากเพราะนั้นถ้าเอาอ น, นิสงฆ์มาอพอได้พอได้คแค่งานหนักๆนี่ถ้าบอกว่ารางวัลดีทีเอาเอแต่ถ้าบอกว่ารางวัลไม่ค่อยดีเนี่ยนะทำฟรีเหนื่อยเปล่าเนี่ยโอ้โหแค่ฟังนี่ยังไม่ฟังให้จบเลยนะ แล้วก็คําถามที่ห้าก็บอกว่าก็สีนี้มีกี่อย่างเป็นคําถามถึงประเภทของสีเน่ยนะเออสามารถแบ่งประเภทได้ไหมจัดเป็นหนึ่งจัดเป็นสองจัดเป็นสามจัดเป็นสี่จัดเป็นห้าได้ไหมมาจัดประเภทหรือว่าวิภาควิเนี่ยแปลว่าพิเศษนะนะภาคะแปลว่าส่วนจัดให้มันเป็นส่วนพิเศษมาแบ่งเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามอวิชาเรายังแบ่งเป็นหนึ่งเลยใช่ไหมอวิชาเนี่ยนับหนึ่งก็ได้นับสองนับสาม นับสี่นับห้าอย่างเงี้ยแล้วก็มานับแบบนั้นนะ่ะเออศีลเนี่ยมาแบ่งแบบนั้นได้ไหมต่อไปคําถามที่หก็อะไรเป็นความเศร้ามองของศีลแล้วก็ข้อเจ็าบอกอะไรเป็นความผ่องแผ่วของศีลไอ้คาว่าผ่องแผ่วก่อนนะผ่องแผ่วคือความบริสุทธิ์ที่พ้นจากมนทินคือสังกิเลศีลเนี่ยจะบริสุทธิ์ผ่องแผ่วได้อย่างไรเสร็จ แ, แล้วในคําถามที่หที่บอกว่าอะไรเป็นความเศร้ามองของศีล น, นั้นก็คือ ผู้ที่ต้องการความพ้นจากมณทินคือสังกิเลสนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องรู้สังกิเลสเหมือนกับคนที่ต้องการความเป็นผู้ฉลาดในอุบายต้องอต้องรู้ความเป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่อุบายฉะนั้นอนเี้ก็เหมือนกับพูดถึงคนที่ซ่อมรถเป็นเนี่ยแสดงว่ารู้จักรถเสียใช่ไหมจึงจะซ่อมรถได้อะไรพูดแบบนี้น ะ, ะตรงนี้ก็ลักษณะเหมือนกันว่า คนที่จะรู้จักความผ่องแพ้วของศีลได้คนนั้นจะต้องรู้จักความเศร้าหมองของศีลก่อนหรือคนจะรู้จักทางถูกแสดงว่าคนนั้นรู้จักทางผิดเนี่ยนะถ้าคนที่จะรู้สีขาวดีนะคนนั้นจะต้องรู้ักรู้จักสีดําะไหมถ้าขาวน้อยๆ อ, อ่ะนะคือคือสีดํามาเจือสีขาวระดับไหนนะคุณภาพของสีขาวก็จะเป็นแบบนั้นดังั้นคนที่รู้จักสว่างก็ต้องคนนั้นต้องรู้จักมืด คนที่รู้จักสูงแสดงว่าคนนั้นรู้จักต่าคนที่รู้จักดำก็รู้จักขาวก็เป็นลักษณะนี้แหละังนั้นคำถามเจ็ดคำถามนี้มีความสําคัญมากนะอัน น, นสรุปอีกครั้งว่าอะไรคือศีลชื่อว่าศีลถอดว่าอะไรอะไรเป็นลักษณะรัศกาปจุปทานประทับฐานของศีลศีลมีอะไรเป็นอนิสงศีลมีกี่อย่างก็อะไรเป็นความเศร้ามองของศีล อะไรเป็นความผ่องแผ้วของศีลอย่างนี้ยหน้ายี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปก็จะเรียนหน้า21เดเลยคำตอบต่อไปตอบปัญหาข้อที่หนึ่งก่อนปัญหาข้อที่1นึเขาถามว่ากิง่งศรีลังอะไรคือศีลเหมือนนเถอะศีลคืออะไรคําพูดต่อไปนี้เป็นวิสัชนาในศีลนั้นมีปุจฉาก็ต้องวิสัชนาปุจฉาแปลว่าการถามวิสัชนาแปลว่าการตอบ คำว่าอะไรคือศีลตอบว่าได้แก่ธรรมะทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตมีปานาติบาตเป็นต้นหรือของบุคคลผู้ทำวัดปฏิบัติให้เต็มอยู่ <c oughs> ข้อนี้สมจริงดังที่ท่านภาษาริบุตรเถระกล่าวไว้ในปฏิสามพิธาว่าอะไรคือศีลตอบว่า เจตนาก็เป็นศีลเจตสิกสสก็เป็นศีลสังวรก็เป็นศีลความไม่ก้าวล่วงก็เป็นศีลดังนี้เพราะฉะนั้นคถามแรกที่ถามว่าอะไรคือศีลตอบก็คือเจตนานั่นแหละเป็นศีลสองเจตสิกนั่นแหละเป็นศีล3สังวรเนี่ยเป็นศีลแล้วก็ความไม่ก้าวล่วงเป็นศีล ทีนี้จะที่บายต่อไปว่าในบรรดาศีลเหล่านั้นเนี่ยนะพูดถึงเจตนาศีลว่าเจตนาของบุคคลผู้เวผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นก็ดีก็ดีนีแสดงว่าในที่หนึ่งของบุคคลผู้ทําวัดปฏิบัติให้เต็มที่อยู่ก็ดีเชื่อว่าเจตนาศีลแสดงว่ามีสองประเด็นนะไอ้ก็ดีก็ดีเนี่ยก็ดีแสดงว่า1ประเด็น ก็ดีหลังอ่ะแสดงว่ามี2ประเด็นนะก็ดีก็คือเละนะนะสมมุติว่าเจตนาของผู้งดเว้นและเจตนาของผู้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้นะเขบาหลีเขาใช้คําว่าจะสับนะก็ดีไฆ่าสัตว์ก็ดีรักทรัพย์ก็ดีนะการเมสุมิจฉาจารก็ดีไอ้ก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่ก็ดีดีจริงๆนะไม่ใช่ดีแบบนั้นนะอันนี้แปลว่าด้วยนะเช่น ฆ่าสัตว์และลักทรัพย์และผิดประพฤติผิดในกรรมทั้งหมดนี้ไม่ดีไ <c oughs> อ้ก็ดีก็ดีตอนหลังบอกไม่ดีอย่างเงี้ยฟังยากเหมือนกันนะท <c oughs> ่านก็ดีก็ดีเนี้ยให้รู้สักสำนวนก็มั่งนะ <c oughs> ถ้าเป็นวิสุทธิมรรุ่นโบราณนี่ก็บอกว่าอ่าถ้าบอกว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ใช่นะถ้าบอกว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ใช่เนี่ยแปลว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกไ <c oughs> อ้ก็ใช่อันนั้นเนี้ยแปลว่าไม่ใช่นะ บางสำนวนนี่เป็นอย่างไงนะถ้าสำนวนโบราณเนี่ยนะสำนวนโบราณเนี่ยอจะว่าขาวก็ใช่จะว่าดำก็ใช่ก็คือไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวเลยว่างั้นต้องไปไปสังเกตสำนวนนะหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเล่มไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้กอดีอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเลยนะก็ใช่ก็ใช่เนี่ยแปลว่าไม่ใช่นะ บางสำเนานของคมพีนะแต่นี่เป็นคมภีร์ที่เขียนเมื่อสมัยอย่างน้อยก็เกือบร้อยปีที่แล้วน ะ, ะนะพ้นคำว่าเจตนาศีลได้แก่อะไรก่อนเจตนานี้แบ่งออกเป็นสองอย่างนะที่เรียกว่าเจตนาศีลเนี่ยเจตนาของบุคคลผู้เว้นจากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นอันนี้คือลักษณะของเจตนาศีลอย่างที่1นึ่งเจตนาของบุคคลผู้งดเว้นอยู่ คำว่างดเวนอันนั้นเป็นชื่อของวีรตีผลเจตนาที่เกิดร่วมกับวีรตีนะเจตนาอันนั้นแหละเป็นเจตนาศีลแล้วก็เจตนาอีกอย่างหนึ่งก็คือเจตนาที่เจตนาของบุคคลผู้ทำวัดปฏิบัติเนี่ยนะก็คือคนที่ประมวลวัดปฏิบัติตรงนี้เนี่ยท่านอธิบายว่า อาจารยวัดอุปชายวัตรเป็นต้นนั่นเองคะอุปชายวัรวัด ต, ตักขันทกะนะตามถ้าเป็นพระวินยัยถ้าเป็นคารวาะก็ต้องเป็นพ่อแม่นะการประพฤติวัดเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยนะพันเจตนาสองลักษณะนี้แหละชื่อว่าเจตนาศีลความงดเว้นได้ของบุคคลผู้งดเว้นอยู่จากทุจริตทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าเจตสิกศีลน ะ, นะ ก็คือความงดเว้นนั้นก็คือวิรัตเป็นประธานใช่ไหมก็บอกว่าเจตนาเป็นศี น, น ย, ยกเจตนาเป็นประธานถ้าเจตสิกศีนเฉพาะความหมายตรงนี้ก็คือเอาวิรัตเป็นประมาเป็นประธานเอาวีระตีเป็นประธานอะ่ะก็บอกเอ๊ะทำไมทําให้ยากนะภาษาบุทธนะอย่าเป น, นึกตาหนิท่านลาบากนะบาปเนะี่ยพ้นคำว่าเจตสิกศีนได้แก่วีระตีนะวีระตีมีสามอย่างนะคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและ สัมมาอาชีวะเห็นวีรตี3อย่างนั่นเรียกว่าเจตสิกสีลอันนี้นัยยะที่1 น, นะสรุปแล้วทั้งเจตนาสีลเจตสิกสีนนัยยะที่1ยังมีเจตนาสินเจตสิกสินในที่2 อ, อีกเห็นไหมคำว่าอีกใน1เจตนาในกา ร, รมบท7ของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งทุจริตทั้งหลายมีปานาฏิบัติเป็นต้นชื่อว่าเจตนาสิน นะก็บอกว่าเอาเจตนาที่ไม่ประพฤติล่วงอ่ะนะแม้วัตถุที่ประจวบกันเข้าด้วยตั้งใจว่าจาเดิมแต่นี้ไปเราจักไม่กระทำเพราะฉะนั้นคำว่าเจตนาในการมบทเจ็ดของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งทุจริตทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้นชื่อว่าเจตนาศีลเจตนาอันนี้เป็นเจตนาที่สมท า, านนั่นเองเจตนาที่ทาให้เกิดการสมท า, านัะนะ่นแล้วก็ไม่ล่วงละเมิด ต่อไปนะธรรมะคืออนณาภิชชาอพยาปาทะและสัมมาทิฐิที่ตรัสไว้โดยนัยว่าภิกษุละอภิชามีใจปราศ จ, จากอภิชาอยู่ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าเจตสิกสีน์ข้อความที่น่าสนใจจากดีการนะ คำว่าเจตนาศีลเป็นต้นเป็นคำไขบทแห่งพระสูตรตามที่นำมาแล้วท่านกล่าวถึงเจตนาที่เป็นประธานสัมปยุตด้วยวิรัตด้วยคําว่าเจตนาของบุคคลผู้เวนด้วยคําว่าเจตนาของบุคคลผู้บำเพ็ญคือเจตนาอ่าคือการประมวลวัดปฏิบัติมานะเจตนาศีลมีสองลักษณะใช่ไหมข้อแรกก่อนคือเจตนาของบุคคลผู้ เวน้นกับเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็คำว่าความงดเว้นเนี่ยนะวีรตีศีลเนี่ยคือความงดเว้นของบุคคลผู้งดเว้นเนี่ยท่านกล่าวถือเอาความที่วิรัตเป็นประทานท่านอธิบายว่าก็ในอธิการนี้ท่านกล่าวเจตนาศีลโดยความหมายข้อนี้ว่าเมื่อใดเจตนาที่วิเศษกว่าความงดเว้นจากปานาติบา คือการงดเว้นจากปาณาติบาสเนี่ยงดเว้นด้วยอํานาจเจตนาเป็นประธานก็ได้งดเว้นด้วยอํานาจวีรตีเป็นประธานก็ได้นี่นะเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอันแต่ตรงนี้ยกเอาเจตนาเป็นประธานในการงดเว้นจากปานาติบาสเป็นต้นนั้นอันเป็นปฏิปักษตอนปานาติบาสเป็นต้นโดยพระบาลีว่า นะาการที่ยกเจตนาขึ้นมาบอกว่าเจตนาเป็นศีลเนี่ยนะเจตนาที่งดเว้นจากปานาติบาตซึ่งมีวิรติเกิดร่วมด้วยเจตนาเ น, นี้เรียกว่าเป็นศีลเนี่ยไม่ใช่ท่านพูดเราเองแต่มีข้อความในอภิธรรมกะทาวัตถุกล่าวว่าดูกรบภิกสุทั้งหลายกายะสังเจตนาสาอย่างฝ่ายกายกรรมฝ่ายกุศลดังนี้เป็นต้น น, นะก็คือกายสังเจตนาสาอย่างกายกรรมฝ่ายกุศล นะดังนี้เป็นต้นที่เป็นไปแล้วเช่นนั้นย่อมให้สําเร็จเป็นความงดเว้นเฉพาะตานาติบาตเป็นต้นโดยความเป็นประธานคือเจตนาเนี่ยนะเป็นประธานของวีรตีเป็นประธานของเจตสิกอื่นๆด้วยเมื่อนั้นวิรัตและอนาพิชาเป็นต้นวีรตีก็เกิดนะอนาพิชาคืออะโลภาอะโทสักก็เกิดนะที่สัมปยุทธ์ด้วยเจตนานั้นก็จัดเข้าในฝ่ายของเจตนาสรุปว่า เจตนานั้นเป็นประธานเป็นหลักเป็นใหญ่ที่เหลือเนี่ยสัมปยุตจัดเข้าประเภทเจตนาหมดหรือเป็นอโภาริกไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะงั้นอหาริกมีก็เหมือนไม่มียกเจตนาเป็นหลักนะต่อไปว่าท่านกล่าวเจตสิกศีนความหมายข้อนี้ว่าแต่เมื่อใดวิรัตกับอนาพิชาเป็นต้นอันวิเศษกว่าเจตนา วีรตีกับอนัพิชาเป็นต้นเนี่ยนะเจ๋งกว่าเจตนาซึ่งเป็นไปอยู่โดยอาการที่งดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นนั้นของบุคคลผู้ถึงความรังเกียจจากปานาติบาตเป็นต้นย่อมให้สําเร็จกิจโดยความเป็นประธานในข้อ น, นั้นๆ น, น, นะก็คืออาวีรตีเป็นประธานเอาอนัพิชาอัพพยาปาทะสัมมาทิฏฐิเป็นประธานเมื่อเจตนานั้น เมื่อนั้นเจตนาที่สัมปยุตด้วยวิรัตและอนัพิชาเป็นต้นนั้นจัดเข้าในฝ่ายของวิรัตเป็นต้นถ้าหากว่าเอาวิวรตีเป็นประธานใช่ไหมเจตนาเลยสงเคราะห์เข้าในฝ่ายวิรัตไปหรือเป็นอโรหาริกไม่ต้องพูดถึงคำว่าอโรหาริกเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีนะเป็นคำพูดที่พูดว่ามีเหมือนไม่มียกตัวอย่างเช่นน้ำอ้อยงบะมีน้ำอ้อยงบะ เขาเรียกว่าน้ำอ้อยงบอะถามว่ามีแป้งผสมไหมมีนะไอแป้งที่อยู่ในน้ำอ้อยงบเขาไปเรียกว่าเป็นอะโพหาริกเหมือนกนคือมีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละไม่มีใครเรียกว่าแป้งและไปซื้อน้ำอ้อยงบเพราะผสมแป้งมาหน่อยอย่างเงี้ยมีใครเรียกนะเพราะฉะนั้นในนั้นอะมีมีแป้งผสมอยู่นะมันจึงจะจับเป็นก้อนอะแต่ก็ไม่เรียกว่ามีแป้งในในนั้นใช่ไหมอันนี้อโพหาริกก็ลักษณะนั้นแหละบัดนี้เพื่อจะแสะดงจำแนกเจตนาศีลและเจตสิกศีล โดยเกี่ยวกับกุศลกรรมบทสิบตามนัยยะที่มาในพระสูตรจึงกล่าวคำามีอทิว่าอภิจักอีกอย่างหนึ่งต่อไปคำว่าของบุคคลผู้ละความว่าของบุคคลผู้ละอยู่โดยไม่ประพฤติล่วงแม้วัตถุที่ประจวบเข้าด้วยตั้งใจว่าจำเดิมแต่นี้ไปเราจักไม่กระทำดังนี้ด้วยอำนาจการสมทา เมื่อกี้ไงที่กล่าวว่าของบุคคลผู้ละอยู่ซึ่งทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะมีปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยคำว่าละตรงนั้นเนี่ยละด้วยอำนาจการสมทานเพราะว่าศีลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการสมทานกับการงดเวนเน้น เ, เคยได้ยิน น, นหนึ่งสมทานวิรัตสองสัมปัตตาวิรัตสามสมุเฉธาวิรัตสมุเฉธวิรัตหรือ เสตุคาตะาตัดสะพานเสียว่าไงไวรัสด้วยการตัดสะพานชักสะพานออกมา้นก็บอกว่าในไวรัสสามนั้นสมาทานไวรัตก็คือไวรัตของบุคคลผู้สมทานเนี่ยนะเช่นตื่นเช้ามาเออสมาทานอุโบสถอย่างเงี้ยการสมาทานนั้นเรียกว่าสมาทานไวรัสแล้วก็หรือคนที่ไม่ได้สมาทานไปไประจวบกับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ล่วงละเมิด อันนั้นเรียกว่าสัมปะตาวิรัตและก็วีรตีที่เกิดร่วมกับอริยมรรคเรียกว่าเสตุคาตวิรัตหรือสมุเฉทวิรัตเหงือนั้น